ถ้าขาดซึ่งดินกับหินบนดวงจันทร์เนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับกําเนิดดวงจันทร์ก็จะยังคงลึกลับไม่ชัดเจนเท่าทุกวันนี้และแน่นอนนั่นเป็นหลักฐานสําคัญมากว่าโอโ้มนุษย์ไปดวงจันทร์มาจริงๆนะพอมีหินมีดินกลับมาแล้วเขาเอาไปให้หลายประเทศเลยอ่ะหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยด้วยนะอ๋อเหร อ, อแล้วเราเอามาทำอะไรคะ <laughs> เราทําหายครัเฮ้ยพูดจริงป่ะ <laughs> จริงพูดได้ไหมเนี่ย you're listening to the standard podcast the eye opening experience for your ears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 มูลช็อตเนี่ยกลายเป็นคําที่เราใช้พูดถึงการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ท้าทายเรียกได้ว่าพลิกโลกเลยนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะการไปดวงจันทร์เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้น่าสนใจมากว่าจริงๆแล้วเราไปดวงจันทร์เนี่ยไปทําไมแล้วการไปดวงจันทร์ในวันนี้เนี่ยยังเป็นมูลช็อตภารกิจของโลกอยู่หรือเปล่านะคะใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์วันนี้นะคะพบกับฟังรัฐาโรจิตพนาค่ะ และผมอัดวารงจันทมาศครับค่ะวันนี้อยากคุยกันเรื่องไปดวงจันทร์ที่ปองแปงยุคนึงเนี่ยใครๆเขาก็จะประกาศกล้าวว่าเราไปเหยียบดวงจันทร์แล้วนะทำไมตอนนั้นต้องแข่งกันไปดวงจันทร์ขนาดนั้นพี่ออในยุคหนึ่งที่ว่าเนี่ยก็คือช่วงที่สหรัฐกับทางสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาทําสงครามเย็นกันอยู่นะครับคือเรียกว่าโคลว์โคลว์เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เขาแข่งขันกันแบบทุกวิถีทางในการประกาศแสนยานุภาพนะครับ ว่าเอ้ยเราเนี่ยเจ๋งนะหนึ่งในนั้นก็คือการแข่งขันด้านอวกาศหรือสเปซเร e นะครับก็เลยมีการาพยายามไปดวงจันทร์เรียกว่าเป็นแรงขับทา ง, ทางการเมืองทางการแสดงแสนยานุภาพท า, ทางเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแต่ทําไมตอนนั้นต้องเป็นดวงจันทร์ไม่ได้ทำไมต้องเป็นดวงจันทร์ใช่ไหมเป็นดวงดาวดวงอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับดวงจันทร์เนี่ยเป็นวัตถุธรรมชาติเป็นวัถตวถุทางอวกาศทางธรมงธรมชาติที่อยู่ใกล้โลกที่สุดละนะประมาณ 3 8 0 0แปกิโลเมตรโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเราจะไปดวงจันทร์เนี่ย3 8 0 0กิโลเมตรอะครับขับรถไปเชียงใหม่ยังเหนื่อยเลย <c oughs> นะอันนี้ไปดวงจันทร์ <c oughs> มันเป็นอะไรที่ไกลมากดังนั้นะ่ะ <c oughs> มันเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายแต่มันก็ไม่ถึงขั้นเวอร์มากถ้าจะถัดออกไปอีกก็อาจจะเป็นดาวอังคารอย่างเนี้ยโอ้โหดาวอังคารเนี่ยยากขึ้นไปอีกนะครับ แล้วก็ในแง่ของการส่งมนุษย์ไปเนี่ยดาวอังคารเนี่ยถ้าเราส่งยานนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันนะปี2022นะฮะถ้าส่งยานแบบไม่มีคนไปเนี่ยจะต้องใช้ใช้เวลาส่งไปถึงดวงดาวอังคารเนี่ยประมาณ8เดือน8ออเดือนแถวนั้นนะฮะแต่ถ้ามีคนซึ่งเป็นสัมภาระที่มีความละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ต้องมีอาหารมีอะไรนานกว่า น, นั้นอีกดังนั้นเนี่ย การไปลองคารดูเป็นเป้าหมายที่ในยุคนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ practical เท่าไหร่คือดนูน่าจะไม่ได้ดวงจันทร์เนี่ยพ อ, พ, อพอคุยกันได้แล้วภารกิจตอนนั้นเขาไปทําอะไรที่ลวงจัดต้องบอกงี้ครับว่าภารกิจหลักๆของขอ ง, ของการแข่งขันด้านอวกาศตอนนั้นนะมันแบ่งออกเป็นหลายอย่างเริ่มแรกมันจะมาจากการพยายามส่งดาวเทียมให้ได้ น, นั้นสาภาพโซเวียตเขาส่งไดเเเเ้เป็นชาติแรกเนาะส่งมนุษย์ไปโคจรรอบโลกเนี่ย อันนี้ยูริกาการินก็ทำได้ก็คือสาภาพโซเวียตอีกนั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยทางอเมริกาแบบไม่ไหวแล้วคือแบบโดนย่างไปซอกแล้วไงทําไงดีนะทําไงดีนะก็ประกาศเป้าหมายงั้นไปดวงจันทร์เลยแล้วกันทั้งที่จริงๆแล้วหลังจากเขาส่งดาวเทียมกับส่งมนุษย์ไปเนี่ยนะครับสังสารัฐิก็มีการส่งมนุษย์ตามมาไในระยะเวลาไม่นานนะแต่ว่ามันเสียที่หนึ่งไปแล้วไง ทีนี้มันก็จะมีการแบ่งเป็นซีรีส์ของโครงการอพอลโลเช่นต้องส่งยานไปก่อน<ฆ>นะส่งยานไปโคจรส่งยานไปจอดอะไรเงี้ยส่งมนุษย์ไปโคจรไปอะไรเงี้ยเราก็ส่งมนุษย์ไปลงแล้วก็กลับนะครับให้ปลอดภัยซึ่งทั้งหมดเนี้ยเขาทําได้สําเร็จซึ่งมันเป็นอะไรที่สําหรับผมคือมันยิ่งใหญ่มากแล้วมันน่าทึ่งมาถึงทุกวันนี้จริงๆในยุคนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์นะครับการประมวลผลหรือแม้แต่อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ดีเหมือนยุคนี้ครับ ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยยังดีกว่าคอมที่เขาใช้ในการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์อีกครับเขาแต่เขาก็ยังทําได้อะมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากมันใช้นักวิทยาศาสตร์วิศวกรระดับหัวกะที่มากมายมีหนังออกมาเยอะมากนี่ไปหาดูได้นะครับ ม, ม, มันเหมือนเป็นการโชว์แสญญานุภาพแล้วก็โชว์ศักยภาพเนาะทั้งในตัวของบุคลากรของประเทศนั้นแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆใช่ผมว่าหลักๆเลยนะคือบุคลากรว่าแบบเขาสามารถ เหลาบุคลากรของเขาให้มันเฉียบคมขนาดนั้นได้มันมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งครับใช่ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยการแข่งขันทางการแบบไปเยือนนั่นนู่นนี่เนี่ยมันดุเดือดขนาดไหนะคะตอนนั้นจริงๆมันเป็นธารกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับเสี่ยงสูงมากในระดับที่แบบไม่รู้จริงๆมันค่อนข้างลุ้นว่าไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนั้นเลยคือต้องพยายามเอาชนะค้าคานกันทุกวิธีทางจริงๆออื แต่พราะไอ ก, การแข่งที่มันแบบว่าดุเดือดเนี่ยเนาะมันก็เลยมีข้อสังเกตมีคนแบบว่าออกมาคัดง้างว่าเอ้ยอเมริกาแบบจับโป๊ะได้ว่า <c oughs> ปลอมหรือเปล่า อ, อย่าเงี้ยมันมีข้อสังเกตหลายอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมพี่จริงๆอย่างนี้ผมผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าทุกวันนี้ข่าวปลอมเนี่ยมันเยอะมากในโลกอินเทอร์เน็ตบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยบางทีเราก็เผลอเชื่อ กินโน่นกินนั่นเข้าไปรักษาโรคได้ทั้งนี้จริงตัวมันนั่นแหละก่อโรคอะไรเงี้ยนะครแล้วข่าวที่ว่ามนุษย์ไม่เคยไปดวงจันทร์หรือโครงการอพอลโลเป็นการจัดฉากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แพร่หลายในอินเทอร์เน็ตแต่เรื่องเนี้ยก็กลับมีคนเชื่อเหมือนกันนะทั้งที่มันการไปเยือนดวงจันทร์นี่เป็นเรื่องจริงแน่ๆ น, นะนี้ผมผมผมจะพูดจากหลักฐานต่างๆก็แล้วกันอย่างเมื่อกี้คุยกับพี่หลายบางคนท่านเขาก็จะบอกว่าเอ๊มันมีแบบ ถ่ายในสตูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เซตเตเซตฉากเพราะว่ามันมีภาพถ่ายนักบินอวกาศเนี่ยอยู่ในสตูจริงๆในก่อนจะไปดวงจันทร์เขาต้องเขาต้องซ้อมครับอยู่ในสตูต้องต้องทับต้องซ้อมจริงๆพอไปถึงฉันจะแบบว่าจะทำอะไรบ้างซีเควนต์อย่างไรจะถ่ายรูปแบบไหนอะไรยังไงพวกนี้คือคือบางทีจะจัดงานแต่งใหญ่ๆครั้งนึงเขายังซ้อมกันเลยอ่ะ เขาจะไปดวงจันทร์เขาก็ต้องซ้อมอ่ะจะไม่เขาซ้อมในสตูมันก็ใจร้ายเหมือนกันนะออันนี้เป็นรูปที่เขาซ้อมในสตูจริงจริอแต่มันมีข้อสังเกตอื่นๆที่มันเกิดขึ้นบนภาพถ่ายนั้นใช่ไหมคะอย่างเช่นมันจะมีเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเรื่องทงปะที่แบบเฮ้ยทําไมทงมันเหมือนจะได้เออฟิลอย่างรูปนี้เนี่ยนะครับทําไมทงมันดูกลางออกแล้วมันดูเหมือนจะโบกได้เออนะ จริงๆแล้วธงที่ที่เอาไปเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยจะพบว่าจริงๆธงเนี่ยมันไม่ใช่ธงที่ถูกออกแบบเอาไว้แขวนตามบ้านแบบว่ า, าให้มันหุบลงอย่างนั้นอ่ะเพราะไม่ยอย่างนั้นเนี่ยมันจะดูไม่สง่างามธงของอเมริกาตอ น, น, นเอาไปปักเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวแอฮะมีก้านเวลาคลี่ออกมาเนี่ยจะได้เห็นชัดๆนะเออไม่ใช่ประเทศอื่นนะจ๊ะอเมริกานะถูกถูกเซตเอาไว้แล้วว่าให้มันไปอยู่บนนั้นแต่ว่าเออ ข้อสันนิษฐานอันนี้มันแปลว่ามันตั้งคําถามกับเรื่องของลมหรือว่าเรื่องของอะไรแบบนี้ใช่ไหมาถามว่ามันกลางออกได้ยังไงทั้งที่ไม่มีลมหรื อ, อบางที่มนุษย์อวกาศถืออยู่เนี่ยมันเหมือนจะโบกสะบัดได้ทั้งที่เหมือนลมพัดเลยไปดูคลิปวิดีโอได้ อ, อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้สะบัดเพราะเพราะลมฮะคือต้องบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยไม่มีอากาศจริงๆบอกมันแทบไม่มีอากาศเลยมันถือว่าไม่มีอากาศเนาะดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆไม่ว่าเราจะถืออะไรก็ตามพอฟังมันจะ มันจะแกว่งง่ายมากมันไม่มีอากาศมาคอยประคับประคองมาต้านดังนั้นธงเนี่ยเวลาถือเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะสายไปสายมาหรือโบกด้วยตัวเองได้อยู่แล้วอโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าไม่เกี่ยวกับลมไม่ลมใช่เพราะพอปากลอไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการสายอะไรอีกหลักๆเลยนะมันก็ยังค้างๆอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ข้อที่1แึ่ว่าเคลียร์ไปเคลียร์เคลียร์นะแล้วแล้วมีเรื่องอื่นอีกป่ะพี่ เหมือนเหมือนในเน็ตเขาจะพูดกันเรื่องแบบว่ารอยเท้าที่อยู่บนพื้นอันนี้มันก็ทําไมคือรอยเท้าเนี่ยเขาเขาจะพูดกันว่าบนดวงจันทร์เนี่ยไม่มีลมและไม่มีน้ํามันเป็นแบบดินแห้งๆมากเลยลองนึกภาพแป้งเด็กก็ได้ฮะเคาะออกมาเนี่ยเราไปเหยียบมันอีท่าไหนยังไงหรือทรายที่มันแห้งมากๆมันไม่ควรที่จะเกิดรอยได้แต่รอยเท้าของนักบินอวกาศบนดวงจันทร์เนี่ยมันชัดเหมือนกับประทับลงบนโคลนตม เหมือนกับผมไปตกปลาหรือว่าไปแทงหากบอะไรเงี้ยแล้วแบบเท้าเหยียบลงไปแล้วแบบโอ้โหมันปั๊มชัดเหลือเกินทำให้ชัดจังเลยเขามองว่าดินมันคงจะแบบมันต้องแข็งมันไม่น่าจะแบบว่าเหยียบลงไปแล้วโอ้โหเป็นรอยขนาดนั้นได้รอยะไรยังงเงี้ยจริงๆมันอธิบายได้ครับเพราะว่าดินบนดวงจันทร์เนี่ยมันไม่เหมือนดินบนโลกไงดินบนดวงจันทร์นะฮะคือเขาเรียกว่าลุน่าแรคคลิตนะครับมันมีความ คมมากกว่าดินบนโลกคืออย่างนี้โลกของเราเนี่ยมันมีดินที่อนุภาคของดินหรือหรือเม็ดุนเนี่ยมันค่อนข้างโดนลมโดนอะไรประทะเนี่ยเม็ดเล็กๆอนุภาคของฝุ่นเราเนี่ยมันค่อนข้างกลมหรืออย่างน้อยก็ไม่มีเหลี่ยมน้อยครับแต่ดวงจันทร์เนี่ยมันมันยังมีความแหลมความคมอยู่เยอะเพราะามันไม่มีลมไงดังนั้นเวลาเหยียบลงไปเนี่ย อ, อ, อาจจะเปรียบได้คล้ายๆกับการเหยียบลงบนกิ่งไม้หรือรังนกเลยแล้วก็ตามมั น, มน มันคงรูปอย่างนั้นอยู่ได้มากกว่าปกติเพราะว่าองค์ประกอบของดินต่างจากดินบนโลกอืมค่ะใชะ่แล้วมีเรื่องไหนเองไหมคะที่เขาตั้งข้อสังเกตกันที่ อ, อย่างในรูปนี้แล้วกันนะฮะถ้าดูจริงๆเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าทําไมนักกากของนักบินอวกาศเนี่ยถึงสะท้อนแสงได้ทั้งที่แหล่งกําเนิดแสงเนี่ยมันต้องมีแค่อย่างเดียวคือดวงอาทิตย์มเมื่อพิจารณาจากตําแหน่งเงาแล้วเนี่ยมันผิดปกติเหมือนอยู่ในสตูดิโอมาก อ, มอย่างรูปนี้เนี่ย เงาเนี่ยมันไปอีกทางหนึ่งเลยดังนั้นแหล่งกาเนิดแสงจะต้องอยู่ด้านข้างของนักบินอวกาศาแล้ ว, แ ล, วแล้วตรงข้ามนักบินอวกาศมีไฟด้วยเหรออะไรเงี้ยทาไมในในกระจกข้างหน้าของคุณถึงแบบ<ห>ว่ามีแสงสทแทบบ้จริงเวลาเราถ่ายรูปย้อนแสงหรืออะไรเงี้ยหน้าเราแทบจะมืดไปเลยอนะครับคําตอบก็คือว่ามันมีแหล่งกําเนิดแสงจริงครับแต่แหล่งกําเนิดแสงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ไฟจากสตูดิโอรู้ไหมครับมันคืออะไรคืออะไรคะมันคือผิวดวงจันทร์ ผิวดวงจันทร์เนี่ยสะท้อนแสงอาทิตย์แล้วก็เข้ามายัางหน้าหน้าบินอวากาศอ<ว>ทําให้หน้าน้าบินอวากาศสว่างอลองนึกภาพดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญก็ได้ฮะมันสว่างพอที่ถ้าเราเข้าป่ามืดๆเนี่ยเราพอที่จะเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มในป่าในอะไรได้พอเดินป่าได้นะครับถ้ามันไม่รกไม่อะไรขนาดนั้นพอพอเดินเห็นเห็นเงาเห็นอะไรถ้าเรายืนอยู่ในที่มืดมากๆเนี่ยแสงจันทร์วันเพ็ญเนี่ยพอที่จะส่องให้เห็นเงาตัวเราได้ด้วยซ้ําอนะครับอ แล้วทำไมมันจะไม่ส่องเข้านักเรียนอวกาศล่ะในเมื่อตัวมันสะท้อนแสงมาถึงโลกได้ขนาดนั้นอื ม, อมค่ะแปลว่าไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับข้อสังเกตอะไรเนี่ยก็มีคำตอบอยู่ในนั้นได้มันมีคำตอบแล้วมันค่อนข้างที่จะชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์มากๆด้วยหรือแม้แต่อย่างในรูปนี้ต้องบอกว่ามันเป็นข้างหลังเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นภาพถ่ายจริงๆนะครับ จะไม่มีดาวสักดวงปรากฏบนบนฉากหลังอันนี้เป็นภาพถ่ายที่น่าจะเอามาซ้อนเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับใช้เป็นฉากรายการได้อะไรอย่างนี้ทำไมถึงไม่มีดาวอะคะพี่พอมันไม่มีดาวเนี่ยคนก็ถามนี่แหละทำไมไม่มีดาวอทั้งที่ดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีอากาศดังนั้นถ่ายออกไปนอกอาฉากหลังเนี่ยมันต้องมีดาวสิแล้วมันต้องเห็นเยอะกว่าโลกด้วยซ้ําโลกเราเนี่ยมองไม่เห็นดาวจัพอเข้าใจได้ ม, ไมีเมฆมีอะไรนะ ดาวดวงจันทร์ไม่มีเมฆไม่มีอากาศมันต้องเห็นชัดสิทําไมถ่ายภาพจริงๆออกมาไม่เห็นเลยอืจริงๆมันไม่เห็นดาวนะถูกแล้วครับเพราะว่าต้องเข้าใจการถ่ายดาวก่อนการพยายามถ่ายดาวให้ติดนะฮะสมมุติว่าท่านใดก็ตามที่พยายามจะถ่ายรูปดาวให้ติดด้วยกล้อง DSLR ชัตเตอร์สปีดมันจะไม่แบบอย่างเงี้ยมันแสงจากดาวมันอ่อนไปอเซนเซอร์ <S S มันไม่ไวพอจะเก็บมันต้องแบบแล้วก็ค้างไปสักยี่สิบวิแล้วมันจะอีกทีนึงนะอง่ะต้องนานนะ เนงจากดาวที่อ่อนมากมันถึงจะเข้ามาที่เซ็นเซอร์แล้วถึงจะเก็บภาพได้คค่ะค่ะะเราอยากเก็บภาพดาวบนดวงจันทร์เราจะต้องทําแบบนี้บ้างแต่ถ้าทําแบบนั้นแสงสว่างมากมายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ภาพโอเวอร์จนไม่เห็นอะไรบนบนบนผิวดวงจันทร์เลยอดังนั้นในการถ่ายแบบทั่วไปเพื่อให้ภาพไม่โอเวอร์เนี่ยนะครับมันเลยไม่ได้เก็บภาพดาวแสงดาวมาไงเพราะเราเปิดรูรับแสงด้วยช่วงเวลาที่สั้นเกินไปอจริงๆถ้าถ่ายรูปถ่ายบนดวงจันทร์ถ่ายติดดาวมา ผิดปกติมากมไม่ควรจะติดถูกแล้วต้องต้องไม่ติดอะถูกแล้วฮะค่ะ่ทีนี้ถ้าถ้านอกจากการพิสูจน์แล้วแหละ ว, ว่าเออมันมจริงไม่จริงนั่นนู่นนี่แต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าตั้งแต่ยุคสมัยที่เนี่ยเราไปเหยียบดวงจันทร์กันมาสมัยของนิวอัลสตรองเนียจนถึงวันนี้เนี่ยค่ะการไปดวงจันทร์เนี่ยมันได้เป็นวิทยาทานอะไรเนาะหรือว่าเราเอาอะไรกลับมาใช้ที่โลกของเราได้บ้างจากการเดินทาง จริงๆนี่ก็เป็นหลักฐานสําคัญว่ามนุษย์ไปเยือนดวงจันทร์มาแล้วนะครับเช่นไปดวงจันทร์มาเนี่ยเขาก็อย่างแรกเลยนะครับคือเขาไปทําการทดลองบางอย่างบนดวงจันทร์นะฮะหลายอย่างเนี่ยไม่สามารถทําการทดลองบนโลกได้เช่นปล่อยคนนกกับปล่อยค้อนดูซิว่ามันตกถึงพื้นพร้อมกันหรือเปล่าเราไปทําสิ่งนี้บนดวงจันทร์กันมาแล้วใช่<อ>เหมือนเป็นการทริบิวถึงกาลิเลโอด้วยเพราะกาลิเลโอเนี่ยบอกว่าของหนักกับเบาภายใต้ถ้าไม่มีอากาศมันจะตกถึงพื้นพร้อมกัน และคนนกกับค้อนมันก็ตกพร้อมกันจริงๆรอ oh. ซึ่งบนโลกเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับค่ะแล้วก็การไปดวงจันทร์เนี่ยได้สิ่งสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งกลับมาคือดินกับหินบนดวงจันทร์เขาเอากลับมาแล้วการเอากลับมาเนี่ยมันนามาซึ่งการวิเคราะห์ที่เป็นข้อมูลที่มากพอที่จะทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าดวงจันทร์เนี่ยถือกำเนิดมาอย่างไรด้วย ถ้าขาดซึ่งดินกับหินบนดวงจันทร์เนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับกาเนิดดวงจันทร์ก็จะยังคงลึกลับไม่ชัดเจนเท่าทุกวันนี้และแน่นอนนั่นเป็นหลักฐานสําคัญมากว่าโอ้มนุษย์ไปดวงจันทร์มาจริงๆนะเพราะมีมหินมีดินกลับมาแล้วเขาเอาไปให้หลายประเทศเลยอ่ะหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยด้วยนะเออหรอแล้วเราเอามาทําอะไรครับเราทําหายครับเฮ้ยพูดจริงป่ะจริงพูดได้ไหมเนี่ยเราทําหายอืมเอม อ, อโดนขโมยโอ อย่างเศร้าอ่ะแต่ทีนี้ไอการที่เขาเอามาแจกประเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนถึงความไปดวงจันว่าแบบคุณลองพิสูจน์ดินพวกนีมมน้มันมันมันมีองค์ประกอบต่างจากดินบนโลกเนี่ยมไม่สามารถสร้างได้นะมันต้องอเป็นดวงจันเท่านั้นอย่างเงี้ย เราเรานอกจากอย่างเงี้ยที่เราเก็บเนาะอย่างพวกดินหรือหินอะไรมาเนี้ยมันมีอะไรที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เอามาใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาทางภทมิศาสตร์จนถึงทุกวันนี้อีกไหมคะจากจากการไปท<อ>ั้งนั้นจริงๆต้องบอกว่าตอนไปเนี่ยเขามีการามีการตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ด้วยนะฮะว่ามีแรงสั่นสะเทือนแค่ไหนอย่างไร mm hmm. เผื่อว่าในอนาคต ถ, ถ้ามนุษย์ไปตั้ง c o l น n i z e mm hmm. ไปอยู่ระยะยาวเนี่ยจะได้ไม่ต้องเจอแผ่นดินไหวทุกวันเนี้ยก็ไม่ไหวเนาะ mm hmm. แต่ที่สําคัญจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์คือว่าเขาเอากระจกไปวางไว้ด้วยทําไมเราต้องเอากระจกไปวางคะเอาไว้ส่องแสงจากโลกไปยังกระจกนั้นแล้วก็ให้กระจกนั้นเนี่ยสะท้อนแสงกลับมายังโลกแล้วจับเวลาดูว่าแสงใช้เวลาเดินทางเท่าไหร<อ>่เพื่อที่เราจะได้วัดระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ด้วยความแม่นยําสูงระดับเซนติเมตรได้นะครับอันนี้มีอยู่จริงๆมันทําให้เราค้นพบด้วยว่าดวงจันทร์กับโลกเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ระยะเดิมเสมอมันห่างออกไปปีไรประมาณ 3.8 เซนทุกปีโดยเฉลี่ยนะทุกปีเลยอย่างเงี้ยการทดลองพวกนี้มันมันมันเป็นผลมาจากโครงการอพอลโลทั้งนั้นแล้วจากวันนั้นจนถึงแบบช่วงเวลานี้อย่างเงี้ยเรายังมีแผนที่จะไปดวงจันทร์กันอีกไหมคะอือจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่โครงการอพอลโลอะเราไม่เคยไปดวงจันทร์อีกเลยนะโอ้มนุษย์อะไม่เคยไปเหยียบดวงจันทร์อีกเลยอาอ แต่ก็มีคนมาถามว่าถ้าไปดวงจันได้แล้วทำไมไม่ไม่ไปอีกเง<ฆ>ี้ยคำตอบคือมั น, มนแพงครับผมเบื้องตังเบ้องตังเบืองัน <ะ S 2> <Okay. S 1> ก็ต้องดูสภาพเศรษฐกิจอะไรเงี้ยแล้วก็ดวงจันเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เราค่อนข้างสำรวจมากพอสมควรแล้วการไปบ่อยๆนี่ก็มันไม่ใช่หน่าบักซอยครับมันไปยากครับแต่ว่าก็ยังมีเป้าหมายที่จะไปอีกใช่ไหมคะจริงจริงจริงตอนเนี้ย สหรัฐอเมริกาเาวางแผนจะไปอีกในโครงการชื่ออาร์ิมิสน ะ, ะจะไปอีกและในปี2024น่าจะส่งคนไปได้นะครับตามกำหนดการแล้วทั้งที่บอกว่าแพงก็แพงไป ม, มาแล้วเคยไปมาแล้วแล้วการไปครั้งนี้มันจะต่างออกไปหรือว่ามันคุ้มค่ากับการไปยังไงบ้างจริงๆก็ต้องบอกว่าไปครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาจะไปทำโครงการที่ททชื่อว่ารูน่าเกตเวนะฮะก็คือการทาสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ ทุกวันนี้เรามีสถานีอวกาศโคจอรอบโลกอยู่<ะ>ทําการทดลองในสภาวาะไร้แรงโน้มถ่วงอะไรต่างๆแต่ตอนนี้การจะไปให้ไกลขึ้นไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารหรืออะไรก็ตามนะครับหรือแม้แต่ความฝันที่การ์ตูนบางเรื่องทำนะฮะก็คือการพยายามสร้างกล้องโทรทัศน์บนดวงจันทร์เนี่ยซึ่งแน่นอนมันมันมันได้ข้อดีหลายอย่างที่บนโลกทําไม่ได้เช่นบนดวงจันทร์มันไม่มีชั้นบรรยากาศเนาะถ่ายภาพอะไรมันก็จะชัด การสร้างช่องทอนบนดวงจันทร์หรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่ฐานบนดวงจันทร์เนี่ยมันจะเกิดได้เราต้องมีเกตเวที่ที่มันไปโคจรรอบดวงจันทร์ก่อนซึ่งก็คือสถานีอวกาศที่โคจรรอบดวงจันทร์และเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่โครงการอทิมิสกำลังจะบุกเบิกและทาําะแปล ว, ว่าสุดท้ายเราปลายทางอะดวงจันทร์เนี่ยก็ยังเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นจุดสตาร์ทของการแบบว่าเริ่มต้นไปค้นพบสิ่งอื่นๆอีกเนาะใช่ยังเป็นยังเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และเป็นจุด เริ่มต้นของการเดินทางสู่ i n t e r อร์ l l a r Space อย่างแท้จริงของมนุษย์ยิ่งใหญ่มากฟังวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบ Moon Shot ก็ยังเป็น Moon s h อ t อยู่นะก็ยังเป็น Moon Shot เป็นภารากิจที่แบบยิ่งใหญ่ของโลกอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าไอการที่คนเราแข่งกันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่มาจากสงครามในยุคนั้นแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยไอการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการไปสำรวจข้างนอกโลกของเราเนี่ยมันก็เป็นการแข่งขันที่ คุ้มค่านะแล้วก็ทำให้ได้อะไรกลับมาพัฒนาที่โลกของเราอีกเหมือนกันน ะ, นะคะก็ลองติดตามกันแล้วกันว่าการไปดวงจันทร์ในเป้าหมายต่อไปของโลกของเราเนี่ยจะมีอะไรกลับมาและหวังว่าเราจะไม่ทำยิ่งหายโอเคโอเคได้คะ่ะก็ติดตามใดๆในโลกนูนฟิสิกส์กันได้นะคะในทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั c r i b e นะคะที่ YouTube c h a ของ l ขอะ t แตน a า d ์ด d อดแคด้วยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะครับ